บทที่19พระเจริญนำคณะผู้แสวงบุญเข้าไปนำมัสการหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีและจึงพาไปนั่งที่บริเวณต้นสีมหาโพเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเข้าไปนำมัสการหลวงพ่อเมตตาบ้างเมื่อนั่งกันเรียบร้อยแล้วพระมกุทเทพจึงนำบูชาพระรัตนตรยัย แล้วเริ่มการบรรยายเมื่อเช้าเราได้สวดบูชาสถานที่ตรัสรู้กันแล้วต่อไปอัตมาก็จะอธิบายเหตุการณ์ตอนพระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุติสุเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์วิมุติสุปแปล ว, ว่าอะไรคะนางสาวสายยายรักถามด้วยหล่อนต้องนำความรู้ไปถ่ายทอดให้มารดาฟังพระมกุเทศตอบว่า แปลว่าสุขเกิดจากความหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและทุกข์ทั้งปวงในสัปดาห์ที่หนึ่งทรงประทับภายใต้รมพระศรีมหาโพธิ์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งเจ็ดวันถ้าเช่นนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งกระนั้นพวกเรามาสวดมนต์ปฏิจจสมุปบาทกัน หลวงพ่อวัดดอนเมืองชักชวนดีเหมือนกันครับบทสวดมนต์อยู่ในหนังสือสวดมนต์แจกให้แล้วลองเปิดดูสารบัญว่าอยู่หน้าไหนเมื่อพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาเปิดพบแล้วพระเจริญจึงนิมนต์พระครูเจริญสวดนำนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองดีกว่าครับประวัติท่านอาวุโสกว่าผม จะอาวาดวัดป่ามะม่วงพูดโดยมารยาทท่านนั่นแหละดีแล้วต่อไปนี้ถ้ามีการสวดผมจะขอให้ท่านนำทุกครั้งเลยนะเพราะท่านเสียงดีกว่าผมหลวงพ่อวัดดอนเมืองมอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูบรรพชิตวัยใกล้หกสิบจึงต้องนำสวดว่าอาวิชชาปัจจญาสังขารา สังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณะปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะงสลายตนะปัจจยาผัสโศภัสสะปัจจยาวทนาเวทนาปัจจยาตัตนาตัณหาปัจจยาอุปัานังอุปธฏานะปัจจยานโวะภวะปัจจยาชาติ ชาติปัจจยาชารามารณงโสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสปายาสาสัมพวันติเอวะมันตัสะทุกขกขันทัสสะสมุทโยโหติอวิชายยะเตวะอาสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโท สังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปานิโรโทนามรูปานิโรธาสลายตนะนิโรโทสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทผัสสนิโรธาเวทานานิโรโท เวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตัณหานิโรธาอุปทานนิโรโทอุปทานนิโรธาภวะนิโรโทภวะนิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธ า, ชา ร, ธาชารานะระนังโสกะปริเทวะทุกขทโทมนัสสุปายาสานิรุจชันติ เอวะมะตัตสะเกวะรัสตะทุกขะขันทัตตะนิโรโทโหติพระอาจารย์คะดิฉันอยากทราบความหมายของบทสวดนี้จังเลยค่ะพระอาจารย์กรุณาแปลให้ฟังจะได้หรือเปล่าคะขนาดยังไม่ทราบความหมายดิฉันก็ยังรู้สึกขนลุกเพราะความทราบซึง้งคงจะมีความสําคัญมาก พระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาเป็นลำดับแรกนางสาวสายยายรักพูดด้วยความซาบซึ้งนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองหรือว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงช่วยแปลได้ไหมครับผมไม่ถนัดเรื่องนี้เลยพระมกคุเทศขอความช่วยเหลืออีกนิมนต์ท่านพระครูก็แล้วกันผมมั่นใจว่าท่านอธิบายได้ดีกว่าผมแน่นอนหลวงพ่อวัดดอนเมืองมอบหมายหน้าที่ ให้ท่านพลักโครอีกครั้งตกลงถ้าผมพูดนานเกินไปหลวงพ่ออย่ารำคาญก็แล้วกันเพราะลงได้พูดก็มักจะติดลมตามสบายครับผมจะได้ฟังไว้เป็นกำไรชีวิตนี่ผมได้ประสบการณ์มากมายทั้งที่มาได้สองวันเข้าวันนี้หลวงพ่อวัดดอนเมืองหวังกอบโกยความรู้เต็มที่ ผิดกับพระหนุ่มสามรูปที่อยากมาเที่ยวมากกว่ามาหาความรู้ถ้าเช่นนั้นผมก็ขออนุญาตเป็นมักคุเทศชั่วคราวนะครับท่านพระครูพูดออกตัวและจึงเริ่มการบรรยายปฏิจจสมุปบาทแปลว่าสภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเพราะตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาผลย่อมเกิดขึ้นจากเหตุ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆโดยประศจากเหตุปัจจัยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทปรากฏในรูปของกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาไม่เกี่ยวกับการอุบัติของศาสดาทั้งหลายที่เราสวดกันเมื่อสักครู่เป็นการแสดงให้เห็นกระบวนการเกิดและกระบวนการดับ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 ความโศความคร่ำกรวนความทุกกายความทุกใจและความคับแค้นใจก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนนี้เท่าที่ผมฟังปฏิจจสมุปบาทมีองค์ประกอบสิบสองหัวข้อ หลวงพ่อจา ก, กรุณาอธิบายทั้ง12หัวข้อได้ไหมครับเริ่มตั้งแต่อวิชชาผมรู้สึกซาบซึง้งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับสามีโยมผ่องใสพูดขึ้นท่านพระครูมองหน้าเขาก็รู้ว่าบุรุษผู้นี้จะมาได้ของดีในแดนพุทธภูมิจึงถามคนอื่นๆว่า มีใครไม่เห็นด้วยกับโยมเสงขอให้ยกมือขึ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยกมือพระขุนทดพระรสุคนและพระทวัตรพร้อมใจกันเข้าจานจนน้ำลายไหล ย, ยืดท่านพระครูจึงบอกพระมกุเทศให้นิมนพระหนมสามรูปออกจากชานเพื่อมาฟังสิ่งที่เป็นสาระเมื่อถูกปลุกพระนุมทั้งสามรู้สึกงุดหยิด เพราะกำลังหลับเพลินครั้นเห็นญาติโยมฟังอย่างตั้งอกตั้งใจก็เกิดความละอายรู้สึกเกรงใจโยมเสงียงกับโยมผ่องสที่ออกค่าใช้ใจ่ายในการมาครั้งนี้จึงต้องฟังอย่างตั้งอกตั้งใจบ้างเพราะอย่างน้อยก็จะไม่ต้องอายโยมสายใหญ่รักสมภารวัดป่ามะม่วงบรรยายต่อด้วยการอธิบายคําจํากัดความองค์ประกอบ12ข้อ ของปฏิจจสมบัติท่านรู้ว่าเป็นเรื่องยากสําหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจศัจธรรมอย่างทองแท้แม้ว่าคนฟังจะไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ท่านก็ต้องการอธิบายเพราะคนที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าใครคือโยมเสิงรองลงมาคือนางสาวสายใหญ่รักส่วนคนที่เหลือแม้จะไม่เข้าใจนักหากก็ยังดีกว่าไม่ได้ฟังเสียเลย คิดดังนี้แล้วท่านจึงเริ่มการบรรยายองค์ประกอบ12ข้อของปฏิจจสมุปบาทมีดังนี้ข้อที่หนึ่งคืออวิชชาแปลว่าความไม่รู้คือไม่รู้ทุกเหตุเกิดทุกขความดับทุกขและข้อปฏิบัตินําไปสู่ความดับทุกข์เราโดยสรุปคือความไม่รู้อริยสัจสี่ ท่านรสสุคนช่วยอธิบายให้ญาติโยมฟังหน่อยว่าอริยสัจสีคืออะไรท่านถามพระรสสุคนเพราะรู้ว่าถ้าไม่ถามภิกษุหนุ่มก็จะฟังเพลินจนเข้าชานอีกอริยสัจสีคือความจริงอันประเสริฐครับแยกสับออกเป็นอริยะกับสัจจะอริยะแปลว่าประเสรศิฐสัจจะแปลว่าความจริงอริยสัจสีจึงแปลว่า ความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาครับพระรสสุคนตอบฉะฉานรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรจำเป็นดีมากขออนุโมทนาท่านให้กำลังใจภิกษุหนุม่มแล้วจึงบรรยายต่อ เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีองค์ประกอบข้อที่สองคือสังขารแปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งมีสมอย่างคือสภาพที่ปรุงแต่งกายเรียกว่ากายสังขารได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราต้องหายใจเข้าและหายใจออกจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ทาไมหายใจ หรือหายใจเข้าแต่ไม่หายใจออกก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้จริงครับหลวงพ่อถ้าหายใจออกโดยไม่หายใจเข้าก็ต้องมอดม้วยมรนาเช่นกันพระขุนทดอยากมีส่วนร่วมบ้างถูกแล้วที่ผมใช้สำนวน ว, นว่าหมอดม้วยมรนาชีวาวายแวบเป็นปลาแปบปิ้งใครจะเอาไปใช้ก็ได้ผมไม่สงวนสิทธ ท่านพระครูช่วยเสริมและจึงบรรยายต่ออย่างที่สองคือสภาพที่ปรุงแต่งวาจาเรียก ว, ว่าจีสังขารได้แก่วิตกวิจารณ์วิตกแปลว่าตรึกตรึกแปลว่าคิดวิจารณ์แปลว่าความตรองคือพิจารณาเพราะเมื่อเราจะพูดอะไรออกมาก็ต้องคิดและพิจารณาเสียก่อน ส่วนสังขารอย่างที่สามคือสภาพที่ปรุงแต่งใจเรียกว่าจิตตะสังขารได้แก่สัญญาและเวทนาสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณซึ่งเป็นข้อที่สวิญญาณแปลว่าความรู้แจงอารมณ์ไม่ได้แปลว่าผีนะอย่าเข้าใจผิดวิญญาณมีหกได้แก่ความรู้แจงอารมณ์ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณ ทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณทางจมูกก็เรียกว่าคานวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณทางกายเรียกว่ากายวิญญาณและความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปคือนามและรูปที่เป็นข้อที่สีนามได้แก่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะ และมนสิการส่วนรูปก็คือรูปไหนใครรู้ไม่ว่ารูปคืออะไรถ้ารู้จะได้ไม่ต้องอธิบายท่านถามคนฟังรูปคือร่างกายใช่ไหมคะหลวงพ่อนางสาวสายใหญ่รักถามขึ้นจะตอบอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ในทีน่นี้รูปหมายถึงอารมณ์ที่รู้ด้วยจกักขุ ซึ่งก็คือสิ่งที่ปรากฏแก่ตาต้องปรากฏแก่ตาเท่านั้นนะถ้าปรากฏแก่ยายอาตมาไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรท่านตั้งใจพูดให้คนฟังรู้สึกสนุกเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่เข้าใจยากที่สุดหากบรรยายแต่เนื้อหารวนคนฟังคิดว่าเป็นเรื่องหนักเกินไป ต่อไปนี้ก็เป็นข้อที่หคือสลาญตนะแปลว่าอายตนาหอายตนาก็แปลว่าที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้อายตนาหก็คือที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หกทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจกิเลส ท, ที่เข้ามาสู่ตัวเราก็เข้ามาทางอายตนะหนี่เอง เพราะสลายตระมีผัสสะจึงมีผัสสะซึ่งแปลว่าความกระทบเป็นองค์ประกอบที่หกความกระทบทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสทางหูเรียกว่าโสตสัมผัสทางจมูกเรียกว่าคานะสัมผัสทางลิ้นทางกายและทางใจเรียกว่าอะไรท่านคุณทศกรุณาตอบผมด้วยท่านเห็นพระคุณทศทำตาปลือ จึงถามชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสครับพระหนุ่มตอบตาปลือกลับกลายเป็นตาใสในพริบตาถูกต้องต่อไปก็เป็นข้อที่เท่าไรข้อ7ครับอุบาสกคนหนึ่งตอบถูกแล้วข้อเจ็คือเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์มีหกได้แก่การเสวยอารมณ์ที่เกิดจากสัมผัสทางตาเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาการเสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางหูเรียกว่าโซตตะสัมผัสชาเวทนาที่เหลือขอให้ท่านเจริญอธิบายต่อท่านมอบหน้าที่ให้พระมกุเทศผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เลยครับหลวงพ่อ นิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองดีกว่าท่านโยนกรองให้พระภิกษุอาวุโสผมตอบได้แน่แต่ผมอยากให้โอกาสญาติโยมก่อนมีโยมคนไหนจะตอบก็เชิญโยมเสียงยกมือขึ้นแล้วก็ตอบว่าการเสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางจมูกเรียกว่าคานะสัมผัสสชาเวทนาการเสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางลิ้น ก็เรียกว่าชิวหาสัมผัสสชาเวทนาการเสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางกายเรียกว่ากายสัมผัสสชาเวทนาและสุดท้ายการเสวยอารมณ์เกิดจากสัมผัสทางใจเรียกว่ามโนสัมผัสสชาเวทนาครับโยมเสง็งตอบรู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าเหตุชไหนจึงตอบได้ขออนุโมทนา โยมเข้าใจแจ่มแจ้งและก็ถูกต้องอัตมามั่นใจว่าโยมจะต้องมาได้ของดีในแดนพุทธภูมินี้ท่านพระครูพูดตามที่เห็นสาธุโยมเสงน้อมรับพร้อมกับยกมือประนมเมื่อกล่าวคำว่าสาธุจากนั้นท่านพระครูจึงบรรยายต่อ เวทนาเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสลายตนวักพระไตรปิฎกเล่มที่18ตั้งแต่ข้อที่431อถึงข้อที่434ข้อ431อตรัสถึงเวทนาสองได้แก่กายิกเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์ทางกาย กับเจตสิกเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์ทางใจข้อ432รตรัสถึงเวทนาสก็ได้แก่สุขเวทนาคือความรู้สึกสุขสบายทางกายกอตามทางใจกอตามทุกขเวทนาความรู้สึกว่าทุกข์ไม่สบายทางกายกอตามทางใจกอตามและอทุกขมสุขเวทนา คือความรู้สึกเฉยเฉยจะสุขก็ไม่ใช่จะทุกข์ก็ไม่ใช่เรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาเวทนาข้อที่433รสรัดถึงเวทนาหผมขอนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองอธิบายเวทนาหให้ญาติโยมฟังด้วยครับท่านมอบหมายงานให้ภิกษุสูงวัยกว่าอีกครั้งตกลงถ้าผมไม่พูดตอนนี้ ท่านก็ต้องหาทางให้ผมพูดจนได้ผมขอยอมแพ้ต่อความเพียรพยายามของท่านหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดแล้วจึงอธิบายว่าเวทนาห้าได้แก่หนึ่งสุขคือความสุขความสบายทางกายสองทุกข์คือความทุกข์ความไม่สบายความเจ็บปวดทางกายอย่างที่พวกเรากําลังปวดเมื่อยกาลังปวดเพราะนั่งกันมานาน บางคนก็ไม่รู้สึกปวดหรือเมื่อยเพราะถูกเนบชาลุกราเหมือนกับอาตมานในขณะนี้แล้วหลวงพ่อกาหนดชาหนอหรือเปล่าครับท่านพระครูยาวผมกาหนดสามครั้งแล้วก็ไม่สนใจมันอีอยากชาก็ชาไปเดี๋ยวมันก็หายเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนผมจึงไม่ไปจับไปยึดมัน หลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบด้วยภาษาธรรมหลวงพ่อไปไกลแล้วนะครับผมหมายความว่าหลวงพ่อปฏิบัติก้าวหน้าไปไกลแล้วญาติโยมพยายามตามทานให้ทันนะสมภารวัดป่ามะม่วงกึ่งชื่นชมกึ่งยาวหลวงพ่อยังอธิบายเวทนาห้าไม่จบนะครับนิมนต์อธิบายเวทนาห้าข้อที่สครับเย้าพ่อหอมปากหอมคอแล้ว จิงนิมนให้บรรยายต่อเวทนาหข้อสคือสมนัตแปลว่าความแช่มชื่นสบายใจสุขใจข้อสโทมนัตแปลว่าความเสียใจทุกใจและข้อหคืออุเบกขาแปลว่าความรู้สึกเฉยเฉยเวทนาหก็เหมือนเหมือนกับเวทนาสเพียงแต่แยกระหว่างกายกับใจส่วนเวทนา6ก็คือ ที่ท่านพระครูอธิบายไปเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นข้อที่434ต่อไปนี้นิมนต์ให้ท่านอธิบายองค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาทข้อที่8ครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองนิมนต์ท่านพระครูบ้างข้อที่8คือตัณหาแปลว่าความทยานอยาก การมตัญหาคือความทยานอยากในกามอยากได้ในกามคุณคือสิ่งสนองความต้องการทางหูจมูกลิ้นกายเพราะว่าตัญหาคือความทยานอยากในพบอยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปและวิภวตัญหาคือความทยานอยากในวิภพอยากทำลายอยากให้ดับสูญตัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบข้อที่9อุปทานแปลว่าความยึดมัน่นความถือมัน่นด้วยอำนาจกิเลสมีสีได้แก่กามุปาทานแปละว่าความยึดมั่นในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัพพระที่น่าใครน่าพอใจทิฏฐปาทานแปลว่าความยึดมั่นในทิฏฐิหรือว่าทิษดีคือความเห็นลัทธิ หรือว่าหลักคำสอนต่างๆศีลพพตุปาทานก็แปลว่าความยึดมั่นในศีลและพลธคือหลักความประพฤติข้อปฏิบัติขนรทมเนียมประเพณีลทัทีพิธีต่างๆโดยสักแต่ว่ากระทําสืบๆกันมาหรือปฏิบัติตามๆกันไปอย่างงมงายหรือนิยมว่าครั้งศักดิ์สิทธ ไม่ได้เป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุและผลอัตวาทุปาทานแปลว่าความยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนคือความถือหรือสำคัญหมายอยู่ภายในว่ามีตัวตนที่จะได้จะเป็นจะมีจะสูญสลายถูกบีบคั้นทำลายหรือว่าเป็นเจ้าของเป็นนายบังคับบัญชาสิ่งต่างๆได้ ไม่มองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวงอันรวมทั้งตัวตนว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ประชุมประกอบกันเข้าเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มาสัมพันธ์กันล้วนๆที่กล่าวมานี่คืออุปทานและเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีพบซึ่งเป็นองค์ประกอบข้อที่สิบหมายถึงภาวะชีวิตของสัตว์หรือว่าโลก เป็นที่อยู่ของสัตว์มีสามไดแก่กามพภพหมายถึงภพของสัตว์ผู้ยังเสวยกรมคุณหรืออารมณ์ทางอินทรีย์ทั้งห้ากามพภพไดแก่อบาย4ีมนุษย์โลกหนึ่งและกามาวาจรสวรรค์ทั้งหรวมก็เป็นสิบเอ็ดภูมิท่านคุณทดช่วยอธิบายให้ญาติโยมฟังด้วยว่าอบาย4ีและกามาวาจรสวรรค์หก มีอะไรบ้างท่านพระครูมอบหมายหน้าที่ให้พระขุนทศพระนุ่มตอบจ่าชันว่าอบายสีก็ได้แก่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานส่วนกามาวจรสวรรคหกก็ได้แก่หนึ่งจตุมหาราชิกาคือสวรรค์ที่เท้ามหาราชสีปกครองเท้ามหาราชสีได้แก่เท้าทัตตารด ครองทิศตะวันออกท้าวีิรุณหกรองทิศใต้ท้าวีิรูปักกรองทิศตะวันตกและท้าวเวสวร์กรองทิศเหนือ 2. ดาวดึงคือแดนที่อยู่ของเทพสามีเีท้าวสักกะหรือพระอินเป็นจอมเทพ 3. ม, มายาคือแดนที่อยู่ของเทพผู้ปราศจากทุกมีท้าวสุยาม เป็นผู้ปกครองสี่ดุสิตคือแดนที่อยู่แห่งเทพผู้เอิบอิ่มด้วยเสริสมบัติของตนมีเท้าสันดุสิตเป็นจอมเทพห้านิมานรดีคือแดนที่อยู่แห่งเทพผู้มีความยินดีในการเนรมิตมีเท้าสุนิมิตเป็นจอมเทพและ 6. กปารนิมิตวัสวัสดี คือแดนที่อยู่แห่งเทพที่เสวยสมบัติที่เทพพวกอื่นเนรมิตให้มีเท้าวัสวัสดีเป็นจอมเทพถูกต้องขออนุโมทนาท่านพระครูชมพระขุนทศต่อจากกรรมภพก็เป็นรูปภพซึ่งหมายถึงรูปราวาจรภรมิ1หชั้นอันเป็นชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปเรียกว่าชั้นรูปภพ ได้แก่หนึ่งพรหมปาริสัตชาคือพวกบริวารมหาพรหมสอพรหมปุโรหิตาคือพวกปุโรหิตมหาพรหมสา ม, มหาพรห ม, มาคือพวกเท้ามหาพรหม 4. ปริตตาภาคือพวกมีรัศมีน้อย 5. อัอปมานาภาคือพวกมีรัศมีประมาณไม่ได้ 6. อภัสราคือพวกมีรัศมีสุปรังซ่านป7าปริตตสุภาคือพวกมีรัศมีงามน้อย8อปปมาณสุภาคือพวกมีรัศมีงามประมาณไม่ได้9สุภกินนะหาคือพวกมีรัศมีงามกระจ่างจ้า10เวหพลาคือพวกมีผลไัยปูนสิบเ อสัญยีสัตว์คือพวกสัตว์ไม่มีสัญญาอีกห้าภูมิที่เหลือจัดเป็นสุทาวาสภูมิแปลว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์คือที่เกิดของพระอนาคามีหมายความว่าพระอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแต่จะมาเกิดที่สุทาวาสภูมิซึ่งมีอยู่ห้าชั้นนับต่อจากรูปภมิ เป็นชั้นที่ 12. อาวิหาคือเหล่าท่านผู้ไม่เสื่อมจากสมบัติของตน 13. อตาปาคือเหล่าท่านผู้ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใคร 14. สุทสัศนาคือเหล่าท่านผู้งดงามหน้าทัศนา 15. สุทสัศสีคือเหล่าผู้มองเห็นชัดเจนดี 16. กอากะนิธา คือเหล่าท่านผู้ไม่มีความด้อยหรือเล็กน้อยกว่าใครซึ่งก็คือผู้สูงสุดนั่นเองต่อจากรูปภพก็เป็นอรูปภพซึ่งหมายถึงภพของอรูปพรหมได้แก่อรูปราวจรภูมิ4มีหนึ่งอากาศสานัญจายตนะภูมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะมีอากาศที่ไม่มีที่สุด 2. วิญญาณัญจายตนะภูมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะมีวิญญาณไม่มีที่สุด 3. อกิญจัญญายตนะภูมิคือชั้นที่เข้าถึงภาวะไม่มีอะไรและสในวสัญญานาสัญญายตนะภูมิคือชั้นที่เข้าถึงสภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บรรยายมาถึงตอนนี้ท่านพระครูรู้สึกเหนื่อย พลันสายตาก็มองไปเห็นแม่ชีปวนมีอาการกระสับกระส่ายผิดสังเกตจึงวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบเห็นหนอรายงานว่าแม่ชีปวนก็นอยากจะไปสุขาท่านจึงพูดขึ้นว่าเอาละอาตมาขอพักเพื่อให้ญาติโยมไปทำธุระที่ห้องสุขาสิบนาทีแล้วคอยบรรยายต่อแม่ชีสาธุด้วยเสียงแปดหลอด แล้วรีบลุกไปก่อนเพื่อน